ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพติยานในวันนี้จะนำเสนอเรื่องกรรมสิบสองถึงพระโบราณอาจารย์ท่านได้รวบรวมเอาไว้คือจัดหมวดหมู่เอาไว้แต่ไม่ใช่ท่านจัดเองนะฮะคือท่านเอามาจากที่ต่างๆในพระคมพีนั่นเอง เพราะว่าเวลาพระเจ้าทรงสแสดงธรรมะที่ทรงสแสดงเนี่ยจะมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่านิพปริยายคือหมายความว่าอย่างนี้ทุกทีอ่ะกูจําไว้ให้ได้เช่นสมมุติเราทรงสแสดงพมิหารสี่ก็สี่อย่างเงี้ยทรงแสดงสี่ห้าก็ห้าอย่างเงี้ยกุศลกระบท 10, สิบกกุศลกระบทสิบอย่างเงี้อยอดีมักเป็นองแปดก็แปดอย่างเงี้ยทุกเล่มของพระไตรปิฎก เราใช้คำอย่างนั้นแล้วก็องค์ธรรมก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นสูตรที่ลงตัวนะเช่นเราพูดถึงความทุกข์มันก็เริ่มที่เกิดแก่ตายแต่ความสุขความร่บรวยร่ำพันว่าไปเรื่อยอันนี้ก็คือนิ ป, ปรยายคือแสดงลงตัวทุกครั้งเราจับหลักไว้ได้ครั้งเดียวนะต่อไปเราก็เข้าใจแล้ว ทีแนวหนึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องไปเทศอะไรมากไปพูดอะไรมากในท้องถิ่นบางแห่งเช่นสมมติว่าเราไปในท้องถิ่นแห่งหนึ่งเนี่ยทุกอย่างไม่มีปัญหาเสียนิดเดียวคนที่นี้ชอบเล่นการพนันเหมนก็เทศชี้เฉพาะปัญหาเรื่องการพนันชี้โทษของการพนันให้เห็นชี้คุณของการลดเว็นการพนันในเขาเห็น แล้วก็จะเรียกว่าอบายามุกแต่ทีนี้อบายามุกมีเท่าไหร่ล่ะมันก็ไปรวบรวมดูว่าทรงแสดงไว้ในที่ไหนบ้างแต่ทีนี้บางท้องถิเนี่ยมันมีต่างหลายเรื่องแต่บ้านเรานี่มีเยอะเหลือเกินนะฮะใบายามุกเนี่ยที่สรงแสดงไว้กี่ข้อกี่ข้อนี่มีหมดเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเมืองพุทศาสศาสนาบิดแดนแห่งภาาสาวพัฒ์แต่ว่า อบายามุกเกลื่อนเมืองเลยไม่เกลื่อนเมืองเพื่อนบ้านเราก็เกลื่อนเนี่นะแต่ที่น่าน้อยใจก็คือว่าเขมนก็พูดนะฮะพระม่า ก, ก็พูดไทยก็พูดลาวเองก็พูดก็มียาบายามุกด้วยกั น, นปัญหาเหล่าเนี่ยเป็นหลักที่ ถ้าเราพยายามทำความเข้าใจรู้จักแล้วก็เชื่อมั่นในกฎของกรรมเนี่ยคือเรื่องกรรมเนมันลดเว้นได้แล้วประพฤติได้เพราะเรายังไม่ได้ทำมันต้องเกิดเจตนาก่อนนะ แ, แสดงเราย่งไม่เจตนาเราไม่ได้จงใจที่จะทำจะพูดหรือจะคิดเมื่อต้องการผลยังไงเนี่ยเราก็เลือกเหตุเอาได้มันไม่เหมือนแก่เจ็บตายนะแก่เจ็บตายเราเลือกไม่ได้ เพมันเป็นผลผูกมาจากเกิดคือเราเกิดมาแล้วได้ยังไงก็ต้องเจอเขาและแก่เจ็บตายแต่ผลของกุศลอกุศลเนี่ยเราเลือกได้แน่นอนว่าอดีตนั้นเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราก็ทํามาแล้วนะแต่เรานับหนึ่งใหม่ได้เนี่ยเราอาจจะเคยหกล้มหมกลุกมาช่วยเจตีดีเจตทนมาแล้วก็นับหนึ่งใหม่ก็เลิกละไอ้สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายไป ชีวิตมันก็ก้าวหน้าไปอีกเส้นทางสายหนึ่งและแนวของกรรมสิบสองเนี่ยท่านจําแนกแสดงเอาไว้ในด้านของชีวิตเป็นภาพรวมรวมของชีวิตนะแต่นี้ภาพรวมรวมขชีวิตมันจะมีอยู่อีกอีกอี ก, อกสองสูตรสุดจึงค่อนข้างดังมากก็เรียกหมากำไม่ฟังกันสูตรสมจำแนกเป็นสี่ข้อ และจะให้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ได้เยอะกับจุลากับมงค์อิปังกัสูดซึ่งเดี่ยวการต่อไปก็คิดว่าจะมาสรุปประเด็นคงสรุปประเด็นก็นําเสนอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการของกรรมกรรมแรกก็เรียกว่าชนกกรรมชนกกรรมคือกรรมที่แต่งให้เกิดกรรมที่นําจิตไปปฏิสนธนะิที่ใดทิศไหน ถ้าเรามองในแนวที่เป็นองค์ธรรมก็คือวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดบินดานเพราะสังขารตัวเนี้ยคือกรรมก็มาผสมกับวิชาซึ่งหยาบ ก, กลางละเอียดก็ไม่รู้นะฮะหมายความว่าถ้าอาวิชชาเขาหยาบเนี่ยเขาแสดงกิเลสมากอาวิชชากลางกิเลสก็ลดลงไปอวิชชาละเอียดก็แสดงวาธรรมะสูงนะกิเลสก็น้อย ก็ทําให้มันก็ตกแต่งพกชาติแต่ก็สรุปว่าคนก็ยังมีวิชาอยู่นะเพราะคนที่ไม่มีวิชามีเฉพาะร า, าระหันเท่านั้นคนนี้ก็จะนำไปเกิดในกำเนิดต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นวิบากกับจิตแล้วก็ ก, กรรมมชรูปคือกรรมที่สร้างให้เป็นรูปร่างหน้าตาอะไรต่ไงๆในตั้งแต่ ปฏิสนธิปั๊บขึ้นมาแล้วก็ในการต่อไปก็ เ, เรียกว่าสำนวนรวจบาลีไม่ต้องไปติดใจนะฮะก็ เ, เรียกว่าปฏิสนธิการแล้วก็ประวัติการก็จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ก็ก็แล้วแต่ทีนี้กรรมพวกนี้เมื่อเขาทำหน้าที่เขาให้เกิดแล้วเนี่ยเนื่องจากกรรมที่มันตามมาข้างหลังเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไร เพในช่วงของการการเกิดเนี่ยมันไม่แน่นะว่าเราจะเกิดด้วยกรรมอะไรยกเว้นแต่ว่าเรามีกำหนักฝ่ายอากุศลคืออนันตเรกรรมห้ากำหนักฝ่ายกุศลก็คือรูปฌานหรืออรูปฌานด้วยนะพวกนี้คติภพมันลงตัวตามกำมังของชานเหล่านั้นด้วยตามกำมังของอนันตเรกรรมแต่ถ้ากรรมอื่นแล้วไม่แน่เพราะมันจะมีเงื่อนไขสลับซับซ้อนอีกมาก ก็มีประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุปธ ร, รมประกกรรมกรรมสนับสนุนเป็นกรรมที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่หมายความถ้าเราเกิดด้วยผลของอกุศลไอกรรมนี้ก็เป็นอกุศลหรือข้าหนุนเราคุ้นพลพยักนะฮะไม่เป็นตัวของตัวเองทีงนี้ถ้าเราเกิดด้วยผลของกุศลไอกุศ ล, ลกรรมกรรมนี้ก็เป็นกุศลเข้าสนับสนุน คือหมายความว่าถ้าถ้าไม่ดีก็สนับสนับสนุนให้ไม่ดีถ้าดีก็สนับสนุนให้ให้ดีแล้วก็ทําให้เรานึกถึงบุคคลสี่ประเภทที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงว่าตโมตมะปรายโนคือมือดมาและมืดไปหรือโชติโชติปรายโนสว่างมาและสว่างไปหมายความว่าเกิดด้วยผลของกุศลเกิดกวยผลองอกุศลอกุศลหนุนเกิดด้วยผลของอกุศลกุศลหนุ น, น ถ้าทำไม่มีความเจริญรุงเรืองอุปปีติลิกรกรรมคือกรรมบีบคั้นหรือกรรมมาเบียนผลของชนกรกรรมนะเช่นว่าชนกรกรรมนําให้เกิดเป็นกุศลพวกอกุศลก็มาลดแต่ความดีลงไปคำว่ามาเบียนคือทําให้มีปัญหามีโรคภยัคยไข้เจ็บมีทางบ้านเขาประพลาดพ่าดป้อตายอะไรต่อะไรเนี่ยคือมันมันมันจะทําให้เกิด ลดความดีลงไปแต่ถ้าชนกก ร, กรรมก็นําให้เกิดไม่ดีไอกรรมดีก็มาเบียดให้ไม่ดีน้อยลงพวกนี้ค่อนข้างเป็นนักเลงหน่อยนะคือหมายความมันจะอยู่ตรงกันข้ามเป็นฝ่ายค้านของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่นํามาเกิดซึ่งทําให้สนกก ร, กรรมในในการที่เป็นไปเนี่ย มีอิทธิพลมีกำลังเพ่าลงกล็มีประเภทหนึ่งพวกนี้เป็นนักเลงใหญ่เขาเรียกอุปฆ า, าตกรรมแบบพริกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราจึงพบว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมาในสกุลยากจนขัดสนานาทามันพลิกกลับไปเจริญก้าวหน้าเป็นที่พอใจของผู้หลักผู้ใหญ่ เข้ามาขอเป็นลูกบุญธรรมเอาไปเดี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนวยความเจริญก้าวหน้าเกินชาติภูมิของตัวเองแล้วก็อีกอยงหนึ่งก็คือคนที่เกิดมาดีนะเชนกรรมนหนามไม้ดีอกุศลกรรมที่มีกำลังมากเหมือนกันเข้ามาตัดเลยให้ผลเสียองก็็ําให้คนที่เรียกว่าอะไรล่ะ สว่างมาแล้วมืดไปนะประเภทแรกก็เรียกว่ามืดมาแต่ก็สว่างไปเราทำให้ชีวิตของบุคคล น, นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมแต่ว่าประเด็นสำคัญจริงๆนะคือเราอย่าไปติดใจเรื่องกรรมอดีตมากเพราะอดีตมันก็คืออดีตแต่เราจะดีชั่วเราก็ไม่รู้แก้ไขอะไรไม่ได้ให้รับผิดชอบในปัจจุบันกรรมพยายามทาดีมากที่สุดในปัจจุบันกรรม ตัวนานดีตกรรมถ้าเขามาแต่ว่าเรามีความดีคุ้มครองอยู่เนี่ยเขาก็ให้ผลแรงไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่ากรรมดีได้ตามมามันก็มาผสมกลายเป็นเสริมพลังขึ้นนะทีนี้ในการให้ผลของกรรมประเภทเนี้ยท่านก็จำแนกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโอกาสในการให้ผลของกรรม อย่างนี้บอกไว้แล้วว่าถ้าเรามีกำหนักอยู่กำหนักที่เป็นกุศลนะกุศลนะฮะ <c oughs> ก็พวกนั้นจะให้ผลก่อนคนอื่นหมดทำานองที่เราของเบาของหนักปุยนุ่นกระดาษอะไรอะไรอุกรอีกก็หินโยนลงมาจากที่สูงเนี่ยนี่คนก็คุยว่าลงถึงพร้อมกันเนี่ยอาตมาลงโยนหลายครั้งนะไม่เห็นไม่พร้อมงานที ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เขาเชื่อทฤษฎีของการรีเดโอแต่เราก็ลองก็มองเราก็เห็นว่าของเบามันก็ลอย อ, อ้อยอิงอยู่ข้างบนเนี่ยของของหนักมันลงมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นพระโบราณอาจารย์ท่านอุปมาแบบโยนของมานีของหนักมันก็ลงถึงพื้นก่อนเพราะนั้นกรรมที่คนของคเราทําไว้จะเป็นกุศลหรือกุศลก็ตามบางทีทรงแสดงชัดเจนนะฮะบาปในดวงเหนียวไปสู่นรกเลย แล้วก็บุญเนี่ยดึงเข้าไปสู่สวรรค์ไลยทีนี้คําว่าขึ้นเนี่ยที่จริงมันเป็นชั้นของจิตเป็นภูมิของจิตมันไม่ใช่สวรรค์อยู่บนฟ้านารกอยู่ใต้ดินนะฮะเพราะจริงๆมันว่วงจักรวาลมันเบืงว่างห่างไกลไม่รู้ใครอยู่บนอยู่ล่างคืงนอนับอยู่บนอยู่ล่างไม่ได้คือเอ็นรกสวรรค์ใต้ดินสวรรค์บนฟ้านะเอ็นรกใต้ดินเนี่ยมันเป็นความคิดของฮินดู ความคิดในาศาสนาพราหมณ์แล้วว่าก็เรียกว่าภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ในาศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่ของผู้แต่ว่าเคยไปเจอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไปอภิปรายด้วยกันที่เชียงใหม่แต่ก็พูดไม่รื่องทำนองนี้คล้ายๆกับว่าคนสมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าในรู้โลกเชิงเขาอิมพานนั่นนั่นเองเราก็ไม่อยากจะขัดคอคือว่าท่านท่านก็คงจะไปอ่านเรื่องของพราหมณ์มานะฮะ แต่ของพระพุทธเจ้านั้นไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องสวรรค์เชิงเขาอิ ม, มาผานแต่พูดเรื่องสวรรค์เป็นปราโลกคือโลกอื่นเป็นดาวดวงอื่นเป็นโอกาสสโลกเลยนะฮะเป็นดาวเลยการไปกันมาด้วยจิตเนี่ยมันก็ไปได้เร็วโดวยริบเนี่ยก็ไปได้เร็วแต่ว่าตามปกติแล้วแม้แต่หนังสือพวกไตรภูมิพระร่วปเนี่ยมันค่อนไปทาง มีที่ผลของพราหมณ์ปนแทรกเยอะๆก็ทําให้เด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์มันก็เกิดความสับสนแล้วก็ไม่มีใครที่มีโอกาสอธิบายทําความเข้าใจโดยใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการชี้แนะสั่งสอนพอสมควรนะคเพราะว่าถ้าจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ที่จริงต้องรู้เกี่ยวกับจั ก, กรวาลด้วยความรู้เกี่ยวกับจั ก, กรวาลอยู่ด้วยนะเพื่อจะเห็นว่า ระบบของจักรวาลเนี่ยเรายังไม่รู้เยอะเ ร, รู้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ในพุทธศาสนาพระเจ้าแสดงไว้วิจิตพิสดารมาในความกรรมตรงนี้มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะที่หนักเนี่ยกรรมไม่ดีก็คือเนี่ยข่าพ่อฆ่าแม่ข่ า, พ, ข า, ขาพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้าทําสังฆเภท์หรือทาสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วก็ ไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นในเพศของภิกษุแต่ศึกแล้วไปภข้ารีดศาสนาอื่นก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้ายังครองเพศเป็นภิกษุแล้วไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นถือว่าอั ญ, ญ่าสตุเทเถรคือศาสนาอื่นเป็นอภิฐานะคือฐานะชิดหนะักมันมีลักษณะคล้ายๆกับพักดีต่อท้ายต่างดาวเท้าต่างแดนแล้วก็เป็นการทําลายเป็นการทําลายสถานภาพของพระพุทธศาสนาด้วย เธอไปก็ไปคนเดียวดีทําไมจะต้องทําลายล่ะประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอาสนกรรมคือการเมื่อคนจวนจะตายอันนี้เรื่องใหญ่นะท า, ทางที่กรรมมันไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โดยท่านอุปมาว่าเหมือนกับโคแม้จะขาดกับเปพกนะฮะแต่มันอยู่กยใกล้เคาะใกล้ประตูเคอะ พอเกิดประตูข้อขออกมาเนี่ยไอโคตัวขากระเพกมันออกได้ก่อนโูใหญ่ๆแข็งแรงยังไงก็ตามอยู่ข้างในเนี่ยมันออกไม่ทันนะตอนอารมณ์ของสัตว์ก่อนใกล้าตายเนี่ยสานวนพระอัจาจารย์ท่านท่านบอกว่าคนจวนจะตายนะหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้ลักษณะทางอารมณ์เนี่ยท่านแสดงว่ามันจะมีกรรมอารมณ์ คือเราเคยทํากรรมอะไรเอาไว้เนี่ยที่มันทํามากๆสะสมจิตติเป็นนิสัยเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเมรณาสันนะัชวนะก็จะถือเอาเป็นอารมณ์จะไปยึดเมีเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แต่ก็ไม่ถึงกับเกิดเป็นภาพนะไม่ได้เกิดเป็นภาพไม่ได้เกิดเป็นนิมิตจากนั้นก็จะเป็นกรรมนิมิตตารมุม คือเป็นการปรากฏเห็นเป็นภาพเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นวัตถุ ก, ก็แล้วแต่เราทําดีหรือทำไม่ดีนะเช่นเคยสร้างโบสร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลอะไรแต่เรามาเคยทําบาุญทำบาปมันก็เห็นเป็นภาพตัวเองกำลังประกอบกุศลกรรมหลอกนั้นด้วยเห็นเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งดีทั้งไม่ดีนะะก็แล้วแต่อย่างที่หลวันก่อนได้เคยเล่า ว, ว่าคนคนหนึ่งที่ชอบฆ่าโค กรรมนิมิตอารมเนี่ยมันปรากฏเป็นรูปโคไอ้ไม่ได้รูปควายรูปควายนี่เต็มไปหมดในความในสายตาของแก่นะเพื่อนก็บอกว่าพระอรหังให้กล่าวพระอรหังพระอรหังแกฟังเป็นพระมีหางบอกพระอะไรว่ามีหางกูไม่เห็นมีหางเลยมีแต่ควายมีหางโตรงว่าแกว่าพระอรหังเป็นควายมีหางตลอดเลยว่าไม่ได้ นั่นก็คืออะไรก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นกรรมนิมิตอารมณ์เป็นเป็นควายที่แกเคยฆ่ามาไอเรื่องเหล่านี้วันก่อนนี่พกกรลุกสิทธิ์คนหนึ่งเขาเป็นอาจารย์หลุดมาว่าจะอะไรเขาก็เข้าขั้นโคมา่านะฮะให้บอกว่ามีคนมาพบมาหามาชวนแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไป เรื่องนี้คือเพราะคนหลายคนแล้วนะฮะที่เข้าขั้นเข้าขั้นเนี้ยแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เป็นภาพที่แปลกเหมือนกันแต่ถ้าเรามองถึงหลักฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็มีตัวตนบุคคลที่ว่าก่อนจะตายก็มีคนมาเชิญมาชวนไปไปอยู่กับเขาแต่ว่าแนวที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องบุญรอคอยต้อนรับคนทาบุญเอาไว้ เหมือนญาติที่รักใคร่ผูกพันกับญาติแล้วเราคอยญาติซึ่งจากบ้านไปนานกลับมาสู่บ้านของตนโดยความสวัสดีมันก็เราคอยในลักษณะนั้นและต่อไปมันจะเป็นคตินิมิตอารมณ์คือจะเป็นสถานที่ที่ตนจะไปเกิดอย่างที่บอกว่าหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้เนี่ยเพราะฉะนคนตายบางคนเนี่ยเมื่อก็นอนหลับอะ่ะนอนยิ้ม ก่อจะตายเนี้ยก็ยิ้มแจ่มใสามากแล้วบางคนนี่ก็สับก็สายเหื่อการไหลแสดงอาการสยดสยองแสดงการหวาดกลัวให้เห็นพราะใสิ่งที่ท่านเห็นนี่ก็แสดงไม่ดีนะฮะอาจจะเป็นพวกคุกคิอาจจะเป็นเถียวอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จจเป็นหลอกออกแล่เล้าอะไรต่างๆคือไปเห็นเรื่องไม่ดีครับัวนี้จะ เกิดทางจิตนะฮะก็เรียกเกิดทางมนุษยวาลอย่างเดียวพวันถ้าถามว่าถ้าถามว่าทําไมเราไม่เห็นก็ไม่ต้องพูดอะเราก่อนจะตายเราก็เห็นได้เั้นเราจึงพบว่าคนก่อนจะตายเนี่ยมันมีลางที่เราเรียกว่าลางสังหรณ์คือพูดอะไรชอบกดแล้วนะก็เสร็จแล้วก็ตายเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าน่าศึกษาน่าสังเกต ยันตอนพระอาจารย์ที่วัดประวัสองรูปที่เกิอดอุปัติเหตุและมโนภาพไปเนี่ยมายังงงอยู่จนทุกวันเนี่ยคือวันนั้นมันนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้ลงปาติโมกวันที่สิบสี่ของปาติโมกันแล้วท่านเจ้าคุณมาราชเนี่ยท่านก็ไปนั่งนั่งติด ก, กัตมาเลยแล้วคุยเรื่องตายกันแล้วอาจารย์เจ้าคุณเทพวิสุทธิญาณเนี่ยก็คุยด้วย วันนี้ถ้าบวดขาอยู่ก็บอกว่าอาจารย์ต้องรักษาหน้าขาปรเดี๋ยวมันจะเป็นปนัญหาขึ้นมาในตายได้เหมือนกันนะถ้าพูดเรื่องตายกันเสียสามสี่รูปนะันะนะนะแต่ที่พูดมากเนี่ยมากับสองรูปเนี่ยคุยมากคุยกันจนสมเด็จเสด็จเข้ามาก็เลิกพอเสร็จปาริมาก็คุยกันอีกคุยกันต่อแล้วก็เดินคุยกันมาคุยเรื่องตาย ต, ายตลอดยั ง, งไม่ร้ว่าเอ๊ะทำไมมันคุยกันสนุกสนานไนดะ้เกิดวันนั้น แล้วก็มาแยกกันที่จะดีทางก็กลับกุฏิออกมาก็กลับกุฏิก็วันที่ไม่ใช่วันที่สิบห้าที่ปฏิโมกวันที่สิบหกนี่ไม่ได้พบ ก, กันที่บุ ก, กุมพาเนี่ยไม่ได้พบ ก, กันวันที่สิบเจ็ดวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในวัดใดสมเด็จสังราศเดชในปานแ่เสด็จอจนินเดีย แต่มาก็เป็นราชาคณะอยู่รูปเดียวในวัดเนี่ยแต่ต้องสอนพระใหม่เดยก็ถึงเวลาก็ไปสอนเห็นพระวุน่นวุ่นไปหมดเลยสอบถามเขาบอกอาจารย์ทั้งสองเกิดปฏิเหตุแล้วก็ไม่เกิดตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่ารู้สึกอยู่ไกลได้เกิดก็ไปสอนหนังสือซะก่อนสอนหนังสือจบแล้วก็ลงมาก็ประสานงานกัน ก็ยังนึกว่ามันมันแปลกว่าทําไมอาจารย์ท่านไม่เคยมานั่งเบียดขนาดนั้นมันนั่งคุยแล้วเราก็คุยเองนะเรื่องตายเนี่ยแล้วคุยเรื่องตายกันตลอดแต่ก็แปลกนะว่าที่ยิงคุยกันวันนั้นเจ้าคุณดังนั้นเนะี่ยห้าองค์ตายสองตายสองบาดเจ็บหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรสองก็ยังนึกว่าเราน่าจะติดด้วยนะไอ้ตอนนั้นเนี่ยทําไมไม่ติด นี่ก็คือก็คือสิ่งที่มันแปลกพระสองท่านเนี่ยทําไมทําไมท่านประหลบอย่างเงี้ยแล้วก็ตกกลางคืนเนี่ยท่านก็มาขย่าวชี้ประตูอาคารที่เก็บศพท่านเนี่ยสารา150ปีเนี่ท่านมาขยา่าดูมามาขย่าวทาอะไรมันก็มีอะไรเยอะนะฮะพอมานั่งคุยเออก็แปลกดีเงี้ยนะแต่นี้ก็คือคื อ, ค, อคือทําให้มันยืนยันเรื่องเหล่านี้ว่า คือท่านตายไปแล้วเราก็คุยอะไรกับท่านไม่ได้แต่ว่าคนที่เข้าโคม่าแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าจะมีลักษณะอย่างนั้นมีคนมาชวนมาแสดงภาพเหตุการณ์ต่างๆให้เห็นนะแล้วบางทีก็อยากจะไปบางทีก็ยังไม่ถึงเวลาเลยอะไรเนี่ยก็ออกมาเลยแนวตรงนี้กรมีประเภทหนึ่งเรียกอาจิตนกรรมหรือว่าบางทีก็เรียกบูรกรรม คืการที่เราอยู่สม่ําเสมอก็ เ, เรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาเซวนาปัจจัยก็อาจจะดีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะแล้วสั่งสมไว้ในชาติที่สองพวกนี้ถ้ามีคารุกรรมหรืออาสนกรรมมาแทรกเขาก็ให้ผลก่อนไปอย่างที่บอกแต่ถ้าไม่มีนะพวกนี้ก็จะให้ผลให้ผลก็ไม่แรงนะฮะก็ไม่แรงเลยทั้งบาปั้งบุญก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไร อย่างหนึ่งก็เรียกว่ากตัตตากรรมหรือกัตวาปนกรรมเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆกรรมเบตเเล็ตคือกรรมที่ทําในภพนี้แต่ว่าไม่ครบองแห่งแห่งกรรมลักษณะอย่างหนึ่งกับกรรมที่ทําแล้วในภพก่อนๆที่เรียกว่าอัปปราปราเวทนากรรมกมันตามมาคือตามปกติและชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าเราดูให้ดีแล้วเราก็มีกรรมอยู่สามอย่างนะฮะในชาติเนี้ในวันนี้ยเรามีกรรมอยู่สามอย่าง คือกรรมประเภทที่เรียกว่าอัปปราปราเวทเนยกรรมกรรมที่เรียกประเภทว่าอุปปัชชะเวทเนยกรรมและกรรมที่เราทําในชาตินี้หมายความวากรรมที่ทําในชาติก่อนกรรมไี่ทําในชาติก่อนๆกรรมที่ทําในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ในแวดวงของเขาแล้วก็กรรมสองประการนี้เราไม่รู้เรื่องเลยกรรมชาติก่อนๆกรรมชาติก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องแต่กรรมชาตินี้เราก็รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ งดเว้นได้สามารถประพฤติได้อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เน่ว่า ส, สุจริตทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องละได้เป็นเรื่องประพฤติได้ถ้าละไม่ได้ประพฤติไม่ได้เนี่ยพระองค์ก็จะไม่สอนให้ละให้ประพฤติหรอกแต่เพราะละได้ประพฤติได้พระองค์จึงสอนให้ละในอกุศลและให้ประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นกุศลท้องฟังทั้งหายแต่หลวงปวติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอก ง, งามไปบุญในธรรม ยังมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี